ขอความสุขความเจริญที่มีแด่ท่านผู้ฟัง ท, ทั้งหลายเชิงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุกมกาลังนำเสนอปฐมรัพะสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยการปฏริพาน์ของพระทะัพะมัลลบรเทระก็เป็นการปณริพาน์ที่ค่อนข้างพิเศษแต่ถ้าเราศึกษาในที่ต่างๆหลายแห่ง เเจอพบว่าการปนิพพานในแนวนี้มีเป็นจำนวนมากอย่างพระเทรีปกษาธิยานีทั้งหลายที่มีรมพระมหาประชาบดีโคตมีเป็นประธานเนี่ยก็มากกว่าห้าร้อย่ะมากราบทุลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนิพพานพร้อมกันเรืะอการไปรนิพพานในท่ามกลางอากาศเนี่ย มีข้อความที่พระตาอาจารย์ท่านอธิบายลำดับความให้ดูว่ามีลำดับความเป็นยังไงท่านบอกว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบวรจิตของเธอและจัตว่าดูกรร่อนทัพพระเช่นนั้นเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่เราและแก่ภิกษุสงฆ์ ในขณะนั้นนั่นเองพิกษุสงทั้งหมดประชุมกันลำดับนั้นประทพะก็แสดงปฏิหารทั้งหมดอันทั่วไปแก่ระสาวกก็โดย น, ะนยะนะฮะตัวนิยะต่างๆเป็นดัานี้เชื่อว่าแม้คนเดียวก็กลายเป็นหลายคนได้ การแสดงในลักษณะนี้ที่ปรากฏมากที่สุดเนี่ยคือพระจุลปันธากะเทระท่านพาท่านรูปเดียวให้เป็นพระจานวนพันพันรูปอยู่กันเต็มประเทตวันเลยเพื่อต้องการยืนยันถึงสถานะของท่านนั้นอย่างเด็ดและต้องการพิสูจน์ให้ประมาทปันธากะนิร้ ว่าในวิหารนี้มีภิกษุยังเหลืออยู่เพราะการนิระมิตรแบบนี้มีปรากฏบ่อยอย่าเทย์เคยเล่าความว่ามีเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นในเทรีคาถาพรจ้าจะปรากฏต่อหน้าของภิกษุณีในส่วนต่างๆของชมพูทวี คือเวลาจเจริญมิปัสนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะเกิดความกลัวเพราะการเกิดดับของสังขารนี่ขียิบมากและสังขารก็จะปรากฏเป็นภาพน่ากลัวในด้านในตันในช่วงนั้นแหละผู้ชาจะปรากฏพระองค์โดยพุ่งเป็นรักเมีไปกระทบก่อน เมื่อพิสุนีลืมตาขึ้นก็รับสั่งระครังเทศได้ฟังอธิบายถึงสภาวะหรือสถานะหรือธรรมะอะไรก็แล้วแต่เนะให้ฟังพอพิสุนีจับทางได้พรเจ้าก็หายไปเมื่อเกิดเป็นการรู้กันเป็นปกติธรรมดาในหมู่พระอระหันต์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีข้อใดหน้าทักเกตก็เหมือนกันนะฮะว่า การปรากฏของผู้เจ้าในลักษณะนั้นต่อมาท่านที่เห็นเนี่ยจะบรรลุผลเป็นพระหรันวันพอท่านเป็นพระหรันมันก็เป็นเรื่องปกติทมาพระอระหันต์ก็ไม่มีเอามาคุยมาเล่ามาวิภาควิจารณาอะไรไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่าอะไรเป็นความคิดของพระอรหันต์หรือ ถ, ถ้าสามัญชนก็จะตื่นเต้นจะไปเล่าในที่ต่างๆ แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูเนี่ยว่าที่เราเล่าเนี่ยเล่าไปเพื่ออะไรเล่าไปเพื่อแสดงว่าตัวเองมีความรอบรู้มีรู้เห็นในเรื่องเหล่านั้นเหล่านั้ น, นเป็นการโอ้อวดใช่ไหมไม่การโ อ, อว้วดเพรที่พระอาหารหันต์ท่านไม่เล่าท่านไม่แสดงเนี่ยมันไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ต้องแสดงแล้วทําไมจะต้องแสดงนั้นคือปกติของพระอาหารหันต์ ยันที่จะยกตัวอย่างให้คนให้ฟังนะฮะเหมือนก่อนในริงก็ตั้งปัญหาถามให้ในายทหารระดับพลตรีท่านหนึ่งเนี่ยก็คิดเนะี่ยเพราะการที่คนคนหนึ่งบอกว่าฉันรักษารรกษาศีลแปด แันไม่นอนกับเมียเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าคนคนเนี้มีคุณธรรมหรือเปล่าแน่นอนในความคิดของคนทั่วไปเนี่ยมันตื่นเต้นนะรู้สึกมีคุณธรรมสูงส่งมากเลยแต่เราต้องลืมต้องไม่ลืมนะ พระเจ้ทรงแสดงหน้าที่ของสามีเอาไว้บั น, นึ่งยกย่องนับถือสถานะของพัญญาไม่ดูหมิ่นพัญญาแล้วไม่ประพฤตินอกใจพัญญาเพราะการที่นําเรื่องไม่นอนกับพัญญาไปประจานในที่ต่างๆเนี่ยแต่ความเสียหายนั้นไปอยู่ที่พัญญาแล้วแสดงว่าขาดเมตตาธรรม เนี่ที่ตัวเองก็อวดไปเนี่ยเขาแสดงว่าโลภะอยากเด็นอยากนั่งนะเขารู้ว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นการนัสสาสินแปะแล้วไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะมันไม่เกิดจำเป็นอะไรต้องพูดแต่เขาเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่โบราณก่อนพุทธกาลเลยทั้งไปแต่ว่าเราไม่เคยคิดอะ่ะคือ ส, สังคมพูดไม่เคยคิด มันจะเฮโลไปตามกระแสต่างๆเพราะงั้นคนจะหลอกเอาได้ง่ายเข้าใจว่านั่นคือศีลธรรมหรือบางครังางคราวกอาจจะพูดว่าตัวเองนั้นเป็นนักมังสวิรัตคนก็ตื่นเต้นเนี่ยโดยลืมไปว่าถ้ามังสวิรัตจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกใครหรอก เพราะความบริสุทธิ์หรือไมนะ่บริสุทธิ์ของมนุษย์มาอยู่ที่กินอะไรมันอยู่ที่เธอประพฤติปฏิบัติอย่างไรถ้าหากว่าความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากการกินผักกินหญ้าพวโคควายทั้งหลายมันก็บริสุทธิ์หมดส้าไิกินหญ้าทั้งหลายกินพืดทั้งหลายกินผักทั้งหลายเนี่ยบริสุทธิ์หมดราะความบริสุทธิ์ไม่อยู่ที่การกินปลากินเนื้อ แต่มันอยู่ทีการจางคลายไปของกิเลสภายในใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วการที่กิเลสมันจางคลายไปก็พิสูจน์ด้วยการไม่โอ้วนไม่ต่อปาบอกเล่าใครว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นเขารียคอวดดีอ่ะแล้เราจะเห็นว่าวิญญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบางครั้งเป็นการบัญญัติท่นเป็นบทพิสูจน์ท่านนั้นเอง ว่าเธอเป็นอย่างนี้ถ้าเธอเป็นอย่างนี้เธอต้องไม่เป็นอย่างนี้การถ้าถ้าเธอเป็นอย่างนี้สแสดงว่าเธอไม่เป็นอย่างนี้จึงห้ามอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงแม้แต่มีจริงก็ห้ามอวดแกอนุปสัมบัติซึ่งว่ากันตามมาจริงถ้าท่านมีจริงเนี่ยท่านก็ไม่อวดอยู่แล้วพราะใจท่านบริสุทธิ์จากโลภะ การอวดนั้นเป็นการโอ้อวดเพื่อลาบสักการะชื่อเสียงความเคารพนับถือการยกย่องการศรัทธาจากบุคคลอื่นเป็นาการโลภะทั้งนั้นเพราะเราก็เห็นว่าปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านแสดงเนี่ยหรือที่ประจุลปันธุกแสดงหรือว่าจิตพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์ในที่ต่างๆ ทำไมไม่มีใครนํามาเล่าก็ไม่จําเป็นต้องเล่าเพราะพอถึงจุดนั้นท่านก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะจริงๆท่านก็ทำได้นะมันเป็นลักษณะของมโนมยิทธิส่วนใหญ่นะจะเป็นมโนมยิทธิไม่ใช่อิทธิอิทธิแล้วแต่บางทีก็เป็นอิทธิอิธีเราก็แยกไม่ออกระหว่างไปด้วยโปร่งเองหรือไปด้วยกายจิบเนี่ย มันดู้ไม่ออกหรอกเป็นเรื่องปกติธรรมดาในหมู่พระอาหารหันต์ทั้งหลายเพราะฉนั้นการแสดงปฏิหารเนี่ยโดยนิย่าเป็นอันมากนะแล้วถาวายบังคมพระพู้มีพระภาคเจ้าแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศอีกแล้ว น, นี้มิถันดินขึ้นในอากาศการนี้มิผ่นดินขึ้นในอากาศนีแนนนนาาศ้แสดงว่าเพ่งอากาศเสกสินเป็นปฐวีเปสินเพ่งอากาศให้เป็นดิน เพราะตรงนั้นก็เป็นดินได้หมักท่าอย่างท่านเดินไปในไฟเนี่ยท่านก็เพ่งเตโชกสินให้เป็นอับบกสินหรือให้เป็นดินหรให้เป็นน้ำหรอใเป็นลมก็แล้วแต่นะะคือสมถะท่านมันไม่มันไม่เย็นะนะจะเงว่าส่วนหนึ่งเนี่ใจเราไปไปไปผูกพันไปยึดติดเป็นอุปาทานขึ้นนะ ทีนีเมื่อใจสงบเป็นสมาธิขนาดนั้นแล้วก็ได้บรรลุ ก, กสินขนาดนั้นมันก็ไม่ร้อนสมพระแล้วบอกว่านั่งขัดสมาธิในอากาศนั้นทําบริกรรมด้วยเตยโชกสินสมาบัติหลังจากนั้นก็จะเข้าสมาบัติสมาบัติก็พอแปด น, น, นะฮะคือหมายความว่ารูปปฌานสี่รูปปฌานสี่แล้วก็สัญญาเวดายิตานิโรธแล้วก็ถอยกลับ หอนกลับมาจนถึงประทมวชานนะฮะแล้วก็ย้อนกลับเข้าไป ก, ก็ไปนิพพานระหว่างสมาบัติออกจากสมาบัติแล้วนะฮะเพราะว่าถ้านิพพานในสมาบัติเนี่ยมันจะเกิดเป็นพรมแต่พระหานท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้เกิดหังการนิพพานของพระเจ้าพระหานทั้งหมดให้เราลองสังเกตว่าจะไม่นิพพานในฌานพระเจ้าเองที่ยิงก่อนนิพพานะก็เข้าฌานเหมือนกันเข้าๆอย่างเนี้ย เข้าจากปฐมฌานก็ไปถึงสัญญาเวดยิตานิโรธแล้วย้อนกลับมาจากสัญญาเวดยิตานิโรธแล้วก็มาถึงปฐมฌานแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปอีกก็มาที่เจตุชฌจตุชฌานไม่ได้เข้าไปที่อากาสญญานัาจจานิยตะนะแล้วก็จะนิพพานตรงนั้นท่านก็บอกว่าออกแล้วลำพุงถึงร่างกายเข้าสมาบาัติอีกอธิษฐานเตโชธาตุไป เทโยธาบในอันอยังร่างกายให้ไหม้แล้วปนิพพานพร้อมด้วยการอธิษฐานคือก็แล้วแต่นะฮะแลแต่ท่านท่านจะทํำยังไงอย่างพระนรินเทระเนี่ยคือเนื้อเก็เป็นตัวแทนรโรพุทธเจ้าพราะพระพุทธเจ้นานิพพานิพพานตอนนั้นพระนรนพระราหุนนิพพานไปหมดเลยพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางเยโสธราพระนางลูกพระนันตานิพพานหมดเลย ในเครือญาติทั้งหลายเนี่ยพระอนุรุธก็เข้าใจวันนิพานไปแล้ว เ, เหลือพระอนุนเป็นจุดปิดเหนียวแทนพระพุทธเจ้าของราชวงศ์ักยะพอ ร, ราชวงศ์ักยะกับกริยะก็ต้องการจะดูแลพระอนุนด้วยกันเพราะว่าพระชนีท่านเป็นชาวโกริยะนะแล้วก็พระชนกเป็นสักยะ พอบทละท่านท่านดูมาทั้งอีกสี่สิบปีก็หมายความว่าคนรุ่นนั้นก็เป็นคนรุ่นหลานรุ่นเหลนมาแล้วแล้วก็เวลาจะนิพพานก็ขวายนดต้องการให้นิพพานขวายขวายตัวเองกระนดษย์ได้เห็นว่าไม่ได้เรื่องเดี๋ยวมันจะทะเลาะ ก, กัน่ะเลยท่านก็ขึ้นไปนิพพานกลาอากาศเลียวอธิษฐานไม่เหมือนกับพระธัธพระอธิษฐานให้ าธาตุของท่านเนี่ยแยกเป็นสองซีบเียกุ่มหนึ่งก็ไปโกอีกฝั่งหนึ่งก็เสมอภาคกันก็ตัางคนต่างก็ได้ไม่ต้องไปแบ่งไม่แย่งาธาตุของท่านกันอีกแต่ของระะพระธามุพระุตรุมีท่านท่านปล่อยให้ไหม้หมดทัานาว่าทำไมยังเข้าใจว่าเป็นการอนรุเคราะห์ต่อโลกอีกแล้วก็นึกถึงพระเมตยะกับภูมิชกะ กับหนึ่งนางอะไรเมติยาภิกุณีนะที่กลาหาใส่ร้ายท่านว่าเซมิถุนกับพิกษุณีเพื่อนก็ร่างกายทั้งหมดจึงได้ถูกเพลิงติดทั่วในขณะนั้นนั่นเองเพลิงนั้นได้เหมือนเพลิงประจำประจํากลับไม่สังขารเพียงอนุหนึ่งก็ดีเพียงเป็นขมเหลาก็ดีไม่เหลืออะไรใในสังขาร น, นั้นไว้เลย แล้วก็ด้วยพลังแห่งการนิพพานแล้วปรปนิพพานด้วยเหตุนั้นท่านจกล่าวว่าครั้งนั้นแลพระทะพะัพมรบุตรจะนิพพานทีนี้มันก็มีมีประเด็นที่น่าน่าทําความเข้าใจาคือประต า, าจารย์ท่านก็แก้ข้อความาต่างๆอธิบายข้อความาต่างๆไปเล่าถึงการนิพพานว่าออกจากออกจากฌานแล้วก็ไปนิพพานนะฮะหมายความว่า เป็นการออกจา ก, กจิตที่สำเร็จด้วยฤทธิ์ปรนิพานด้วยผวัง ก, กิตแล้วก็ไฟก็ลุกโรงก็ในขณะที่ไฟไหม้อยู่นั่นเองนะฮะก็ได้ทำลายส่วนที่เป็นเป็นรูปประขันทั้งหมดนะฮะส่วนที่เป็นรูปประคันทั้งหมดของท่านให้สูญสิ้นไปที่นี้มันก็มีประเด็นนะฮะมีประเด็นที่ตั้งขึ้น อยู่ท่านฟังคงนึกออกนะฮะตอนที่เคยเล่าเรื่องยมกปฏิหารให้ฟังในเรื่องยมกปฏิหารเนี่ยพระปิโลลพาตรวัชะท่านเหาะขึ้นไปเอาบาดของราชกษัตเศรษฐีไม่ใช่เอาจริงหรอกต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่าในโลกนี้มีพระอระหันต์เพราะว่าเป็นความเชื่อของท่านราชกษัตเศรษฐีว่าพระอรหันต์นั้นท่นเหาะได้ ท่นก็เลยทดสอบดูมีหรือเปล่าพระอาหารเนี่ยเลยก็เอาบาด ท, ที่ทาโดยไม้จันทอย่างดีแกะถลักโดยไม้จันทอย่างดีเนี่ยแขวนเอาแขวนไม้ไผ่ต่อกันเป็นหลายหลายชั่วไม้ไผ่ก็สามสี่ห้าอันเนี่ยพอกันไปนก็สูงอะ่ะเขาพูดง่ายว่าก็สูงประกาศว่าถ้าพระอรหันทั้งหลายมีอยู่ในโลกเนี่ยให้หอบ ม, มาเอาทีานี้พระเถระทั้งหลายท่านก็เฉยเฉยอะ แต่ก็ไม่อยากยุ่งแต่เพราะว่าถึงวันที่เจ็ดเนี่ยมันเกิดเป็นแนวอายุประวาตซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายที่แพร่หลายคือเขาบอกว่าแสดงว่าพระหันในโลกไม่มีเนี่ยคือการพูดอย่างนี้เป็นการอารยุประวาตนะเป็นการกล่าวหาบิดเบือนใส่ร้ายต่อพระอรหรันต์ซึ่งเป็นบาปกา ม, มากแล้วอขอก็พูดกันมากในบาปมันจะแพร่กระจายเป็นเชื้อโลคไปเลย เพราท่านจริงอนุเคราะห์ต่อโลกพระมหาโมคัลลนะเทระก็ยืนข่มจีวร อ, อยู่ก็ได้ยินพวกนักเลงมันพูดกันอย่างเงี้ยท่านก็บอกให้พระวิโลโลาภาตรวาชานี้เหาะขึ้นไปเอาบาดไม่ใช่เหาะขึ้นไปเอานะคือแสดงตัวให้ปรากฏลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ท่นานทำตืนเต้นด้วย คือท่านไปเอาหินหินที่ท่านเหยียบเนี่ยมาติดเท้าลอยขึ้นไปด้วยคนก็ตื่นเต้นตกใจกลัวหินจะหล่นลงมาทับแต่แล้วท่านก็อธิษฐาในใหินกลับไปที่เดิมท่านก็ปรากฏตัวคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่ท่านเศรษฐีก็นิมนต์ให้ให้ลงมาแต่ท่านเชื่อแล้วว่าในโลก ม, มีมีพระหันเหตุการตื่นในลักษณะนี้มัน คือเราเห็นว่าสมมุติเนี่ยสมมุติว่ามีคนเหาะได้ขึน้นมายแล้วเราได้เลยก็ไม่ได้เลยเลยคือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเชื่ออยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้งองเหาะคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเชื่อคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะสงสัยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เชื่อเอ๊เล่นโขน่ป้ายหีดอกลวงโลกวางไปกันใหญ่เลย คนตีต่างว่าสมมุติว่าใครเหาะขึ้นมาสักองนะครพระเกิดเหาะได้กันมาสักองเนี่ยแล้วพิมพ์ผ้าหัวแล้วคนจะพิมพ์ผ้าวิจารณ์แล้วบาปจะกระจายไปทั่วประเทศไปไม่จะกันรัทุไม่จะกระจายทั่วประเทศแนตะ่ทุกวันนี้ก็เรียกว่ากระจายไปทั่วโลกแเลยใคยๆจะดีนกะ็เลยใคยๆจะดีแต่อย่าลืมคนอีกกลุ่มหนึ่งคนในกลุ่มหนึ่งนั้นจะต้องอนุเคราะห์เขาด้วย คือศาสนาพุทธนั้นเป็นโลกาโนตรัรมปโกเป็นอนุเคราะห์โลกคือไม่ได้มองว่าเฉพาะชาวพุทธนั้นจะต้องอนุเคราะห์ไม่ใช่คือมองโลกเป็นประมาณเลยแต่สนใจเขาจะเป็นใครก็ตามพระเจ้าเป็นโลกาโนตัมปโกคือผู้อนุเคราะห์โลกเพราะนั้นข้ารารทั้งหลายท่านก็นอนุเคราะห์โลกโดยเสด็จเหมือนกันนะฮะคือพระหลังท่านก็สมบูรณ์ในปัญญาไปสุด ก, ก ร, รุณา ตามระดับของสาวกบา ร, รมีญาณไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าท่นก็มีความจิตคิดอนุเคราะห์โลกเหมือนกันเพระนโมขลานะก็ไม่แสดงแต่วคนก็ตื่นเต้นนะนะคนก็ตื่นเต้นก็มาขอให้ท่านแสดงให้ดูปุถิดไม่เคยเห็นไม่ได้เห็นนะนะเพรท่านลงมาแล้วท่านลงก็ท่านก็เดินมิตบาดธรรมดาเนี่แหละไอ้พวงนี้ก็เกิดมันก็มาอยากดู อยากดูเนี่ยมันพูดยากเลยเดียวคือทําไม่แสดงให้ดูเนี่ยมันก็ได้เอ้ยมันเล่นโกนเล่นพาหีหลอกลวงโลกไม่แน่จริงเลยโอ้คนพลกพาเนี่ยมันเยอะเลยนะฮะเพราะถ้าก็แสดงแสดงคนก็ แ, แห่ตามกันเกาะกลุ่มกัไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยทั้งก็แสดงไปเรื่อยเรยจนไ้ถึงพระเวรวันพระเจ้ารับสั่งถามพระนนอนน์ เสียงอะไรยังไงชาวพวงแย่งปากกัแนแ้นก็กล้าพูดให้สงสารรถสั่งเวกทรงตำหนินะฮะทรงตำหนิที่แสดงปฏิหารอวดชาวบ้านในลักษณะ น, นั้นจะต้องจับประเด็นให้ได้นะฮะอันนี้คือปัญหาในเกี่ยวกับวินยัยทีนี้ถ้าเราถามมาการแสดงปฏิหารในลักษณะนนเนี้ยบางครั้งเนี่ยเช่นคราวหนึ่งพระสาคตะ ภาษาคตานิเ่งแบบแบบเนี้ยัภะมารบุตรเนี่ยตอนนั้นท่านยังเป็นกุตุชนเลยสัมปจะได้โลกิยะสมบัติคือคนมันไปตื่นเต้นกสนะโกริวิสาซึ่งมีขนขนที่ที่พื้นเท้าแล้วก็แห่กันไปดูแล้วกเกิดสงสารแล้วก็แสดงปฏิหารดักหน้าไปเลยแล้วก็ดึงกลับมาคราพระพุทธเจ้า คนก็ตื่นเต้นมากกว่าเลยคนหอดได้สแสดงปฏิหารดำลงไปในดินได้โผล่ลอยอยู่อากาศได้นั่งเฉยเยได้ยืนได้นอนได้ใช้ยาบทต่างๆเล่นอยู่บนอากาศอ่ะคนก็ตื่นเต้นก็แห่ตามกันมาปรากฏเราภาษ า, ษากรตาไปถึงกราบอยู่แทบบาทพระพุทธเจ้าคนนั้โอ้โหนี่ขนาดนี้เหรอลูกสึกขนาดนี้อาจารย์ขนาดไหนเนี่ยไม่ต้องหล้วพระเจ้าไม่ต้องสแสดง คนล่นี้ก็เข้าไปข้าวพระพุทธเจ้าโซนากรีวิสาก็เข้าไปด้วยวิจ้าก็ส่งแสดงธรรมายฟังไม่ได้แสดงปฏิหารนะแสดงธรรมายฟังคนก็ศรัทธาเรื่องสายกันโซนะกรีวิสาทีหลังก็บวชกลายเป็นพระหานรระดับเอิสตตะคะองค์ที่เลิกทางปรารก ค, ความเพียรเห็นไหมตอนนี้พระเจ้าจะย่อทีนี้วัฏฐากตตาเนี่ยอีกอีกคราวหนึ่งนีท่านไปแสดงปฏิหารกำลบับกำรับพญานาค ไปยาน่ามาราวาดเบียดเบียนชาวบ้านทั้งก็แสดงปฏิหารต่อสู้กับพญานาคกำหลับตรงนั้นไม่ได้ชมตำหนีินะแต่ว่าไปตำหนิอีกจุ่หนึ่งก็คือว่าชาวบ้านรู้เขาก็มีอกมีใจนะ่ะพขาช่วยแก้ปัญหาแก่เขาก็มีบนท่านท่านเดิมมันไม่ถึงกับเล่าเป็นเมรัยนะเป็นเมรัยที่เขาเรียกว่าสีแดงแคล้คคคายๆกระเท้านกพิราบไอ้กลิ่นสีรถมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะ ตอนนั้นวนัยยังไม่มีท่านก็อนุทนาจาวบ้านน่ะชาวหลงาวตาชาวบ้านท่านก็ดืมไปเรื่อยๆบินบาตโยมก็ถวายเรื่อยๆดื่ไปดื่มมาปรากฏเมาเมาก็ล้มลงซินทางนั่นแหละพระเจ้าก็ให้หามไปวางมืศาลาท่านก็ดิ น, ด น, ดนเนี่ยดินบปดิ้มาเหยียดเท้าโครมก็ใส่พระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งภิกษุกว่า พิสูทั้งหลายเธอเธอเคยเห็นไหมว่าสาคตะเนี่ยเคยเหยียดเท้าใส่เราไม่เคยเห็นถ้าเธอไม่มองเธอจะเหยียดไหมไม่เหยียดเพราะว่าสาคตะเคารพพตุผู้เจ้ามากเนี่ยเพราะโทษของสุราเพราะันที่ทรงตําหนิคราวนั้นไม่ใช่ตาหนิเพรแสดงปฏิหารแต่ตําหนิเพราะไปแสแดงไปดื่มสุราแล้วดื่มเพราะมนันมีนหน วินัยยังไม่บัญญัติก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าต้นบัญญัติคืออาธิกามิกสมรระสมาภาษากตะในคราวนั้นก็ถือว่าไม่ผิดวินัยแต่ว่าบัญญัติพระต่อมาก็ดึงไม่ได้เพราะฉนนั้ลักษณะของวินัยเนี่ยหมายความมาเหตุที่ให้ต้องบัญญตัติวินัยเป็นอย่างไรก็คือบัญญตัติอย่างนั้นเรื่การแสดงปฏิหารของพระพิโลลพาตระวัชในคราวนั้นคือแสดงเพื่อจะ พิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่ามพรผ้าหารอยู่ในโลกรัชกาลเศรษฐีเป็นศรัทธาขึ้นมาก็บาทไปถาไวายแล้วก็ท่านก็สแสดงต่อมาว่าพระเจ้าจึงบัญญัติห้ามไม่ให้แสดงปาฏิหาริย์ในลักษณะนั้นในลักษณะนั้นเน่เราจะเห็นว่าพระพร ะ, พระมัรลบุตรไมใช่ลักษณะนั้นหรือพระสากยานีเป็นร้อยๆนะห้าร้อยกว่า ก็มีลักษณะนั้นนิพพานกลางอากาศเหมือนกันพระนาินทร์เองนิพพานกลางอากาศหลังพระพุทธเจ้าบรรย์พระวินนี้ถึงสีสิบปีรูปขุศแสดงปฏิหารหลังพระพุทธเจ้านิพพานสามรอยกว่าปีข่าวสังเกตในครั้งที่สามกับพยามารที่ก่อขวนการสังขารนาไปล่าเอาไว้หรือใช้สายประโคตไปล่ำเอาไว้พยามารเนี่ยตอว่าขณะศาสดายังไม่กล้าทำเราอย่างนี้ลูกศิษย์มันกล้าทาได้ แต่น เ, นเนี่ยทีเ่เปลงปาฏิหาริ์เนี่ยเขาห้ามจะพาะในกรณีนั้นไม่ได้ทำทุกกรณีเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในการต่อมาแล้วเนี่ยมันก็มีการแสดงปาฏิหาริ์เพื่อกำราบคนพระโมคคัลลานะก็เคยแสดงปาฏิหาริ์็ปลอยอยู่หน้าต่างหน้าหน้าต่างของมัทธิยคกศยเศสีเพื่อทรมานในทานเลิกเสนียไปบินธบัตในบินธบาตนมเบิง ไอเสถียรก็ให้ทอดขนมบึ้ง น, นิดหนึ่งไะตักนิดตักนิดมันยิ่งโตนะคือท่านใช้อิจิริศอธิษฐานี่มันเต็มโตเต็ ม, ตตมกระทะเลยแป้งยิ่งน้อยยิ่งโตแป้งยิ่งน้อยยิ่งโตแป้งยิ่งน้อยยิ่งโตไอเสถียรก็ยังคิดเหนีอยวยุ่นั่นแหละเลยก็ช่วยกันดึงสองคนผัวเนียเพื่อจะให้ออกเป็นชิ้นแรกนะฮะจะได้ถวายพระเถระยิ่งดึงแล้ยิ่งใหญ่เลยหมดกำลังใจที่จะดึง เราก็เลิกความหิวแล้วไม่อยากกินนะ่ะก็เกิดเรื่องสายในปเทระก็ขอถวายปเทระท่านบอกว่าถ้าถวายก็ไปถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์มังรอคอยเยอะนั่นก็ไปพนะระมคกัลลาน่าก็นิรมิตจากหน้าต่างเนี่ยฮะจากหน้าต่างพัดเดียวถึงประเทศตวันนี่ก็คือแสดงปฏิหารแต่มันแสดงโปรดคนช่วยคน วันาะเราดให้ดีเนี่ยหรือว่าพระปิรินวัชร์ลูกโยมมาถากถูกงโจนกลับไปเรียกค่าไถ่มันเหาะไปะเอามาเลยไปแย่งมาเลยอันนั้นก็คือคือแสดงอิจิริสแล้วมากลายเป็นเรื่องปกติปกติในเวทผงของพระหารทั้งหลายดังนั้นการแสดงปาฏิหาริย์ตรงนั้นจึงไม่ใช่ละเมิดพระวินยัย ที่พระญาติสมบัญญัติคือบัญญัติในกรณีนี้นะในกรณีนี้ในกรณีที่แสดงปาฏิหารเพื่อเพื่อลาบเพื่อศักการะ เ, เพื่อชื่อเสียงคือชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าใจอย่างไงเพราะอะไรเพราะว่านักบวชนอกศาสนาไปนินทาโอ้สรรอโย ส, รสรรมณะโคดลมลูกศิษย์ไปสมณะโคดมไปแสดงคุณสมบัติพิเศษของตัวเองเพราะบาดเพียงเล็กน้อยนะพวกเราไม่ทำเอาไปกันใหญ่เลยพวกนักบวชนศาสนาเล่นใหญ่เลยทีนี้ เพราะว่าการกระทำอย่างนี้มันมันขึ้นอยู่กับการมองอะ่ะคือคุณสามารถจะมองได้แต่ความจริงมันเป็นยังไงมีเรื่อ ง, งอย่างที่บอกว่าตัวเองไม่ไม่ในอยู่ร่วมกับพัญญายางไงอาจจะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ได้อาจจะพัญญาคนอื่นก็ได้อาจจะเปหญิงอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นกระเทยก็ได้หรืออาจจะรักษาศีลอะไรมันไม่รู้สิ พืนดีที่สุด ก, ก็คืออย่าพูดพอพูดแล้วมันก็เกิดเป็นปัญหาที่มีการข้องใจสงสัยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าการแสดงธรรมะหรือเผยแพ่ธรรมะของพระเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่สูญเสียประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแข่งดีการฤิษยาเนี่ยในหมู่จากนักบวชต่างาศาสนาทั้งหลายเนี่ยต่างลรทเททั้งหลายเนี่ย มันก็มาป่วนอยู่ตลอดอ น, นะฮะคือถ้าเราอ่านในพระวินัยพิดก็จะพบว่าโอ้คนนี้มันป่วนจริงนะแล้วก็ผ่านวิกิจการมาได้แต่ว่าที่ชาวบ้านรับรู้เนี่ยมันไม่ค่อยไปเจาะลึกอะไรเท่าไหร่คือสิ่งที่บางทีนี่คนเขาพูดนะพูดอย่างวันก่อนมีเขาตัดบทความมาให้ดูฉบาบหนึงก็ยังไม่ได้อ่านอนะเนี่ยก็ พูดไปในธรรมนองว่าพระสงฆ์ทั่วไปในสังคมบุลทนเนี่ยกับผู้สันเตียสกเนี่ยสันเตียสูกเคร่งคัดกว่าดีกว่าเรียบร้อยกว่าอะไรแต่ได้ก็ว่ากันไปคือพูดได้นะฮะพูดได้แต่คุณรู้จริงขนาดไหนคือคณะสงฆ์นี้ไม่มีสิทธิในการจะคัดเลือกคนเพราะว่าเป็นผู้นุเคราะห์โลกและคนที่บวชเนี่ย พ่อแม่เขาต้องการนายพระชื่อฝึกคือเป็นคนไม่เรียบร้อยจึงออกมาฝึกถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ฝึกหรอกผลงานมันจะต่างกันแต่ว่าของเขานี่เขาเตรียมตัวมาเพื่อจะแสดงไงเวลาเราติดตามนะี่จริงเป็นการแสดงเหมือนกับภาพพระที่นั่งแอคชั่นถ่ายภาพสวยเสมอกันเป็นแถวเลยถามไมาจริงจริงเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าพระพราวก็จัดฉากกัน เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อจะถ่ายภาพออกมาโอ้อวดเท่า น, นั้นเองคนไม่เคยคิดอ่ะคนไม่เคยคิดว่าพราที่ปฏิบัติไม่เรียบร้อยก็เป็นผลิดผลจากสังคมที่ส่งมาให้ทางวัดไปฝึกให้แล้วในขั้นตอนการฝึกมันก็หกลม้มหกลุกไปอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมา พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นอนุตตรโ ร, ริส ร, รมสารสาลติเป็นสารติที่ฝึกคนในพุทธาสนาที่เป็นพระอารหันเนี่ยเป็นอดีตโสภณีก็มีเป็นอดีตโจรก็มีเป็นอดีตขอทานก็มีเป็นอดีตห ม, มาโจรใหญ่อย่างพระองคุริมาเนียก็มีทําไมไม่พูดอย่างนั้นทำไมไปพูดตอนนี้เขาฝึกได้ล่ะทําไมไปพูดเฉพาะตอนนี้ฝึกไม่ได้ก็ลูกหลานก็โยมเองอะ สอนลูกมาให้ดีดีแล้วก็ทางวัดก็ไม่ต้องฝึกอะไรไม่ต้องคุยอะไรมากมันก็ได้คุณดีคือคือมองอะไรมงสั้นเดียวไม่ได้หรอกการตัดสินอะไรในลักษณะนั้นโอกาสที่จะถูกหลอกมันก็มีได้ง่ายเพราะฉะนั้นในตรงนี้ท่านท่า น, านสแสดงถึงเป็นรูปกายของท่านเนี่ยแต่ส่วนบุปค ก, กายทั้งหมดคือไม่เหลือไม่เหลือธาต แล้ก็เป็นที่น่าสังเกตด้อยกันว่าคนที่เล่นพระธาตุกันมากเนี่ยคือราหันตาธาตุกับพระบรมสารีธาตุเนี่ยเคยมีธาตุพระท่าพระหรือเปล่าก็ายังไม่เคยพบนะะเพราะว่ายวไม่ได้คุยอะไรกับใครในเรื่องเหลนี้ไม่เคยจิตใจสงสัยอะไรเท่าไหร่ไม่เคยใส่ใจเท่าไหร่แล้วท่านก็บอกว่าพระภุตารูปคือดินน้ำหลวงไฟอุปาตายรูปคือรูปที่อาศัยดินน้ำหลวงไฟเนี่ย มันก็แตกทำอันตรายที่นาดไปคือไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมนี่ก็เป็นการอธิบายลักษณะของพระอระหรันต์ขยายความคุณลักษณะของพระอระหันต์ที่นิพพานเนี่ยเป็นยังไงท่านจะอธิบายไปตามลำดับเลยท่านบอกว่าและแก่สัญญาทั้งหมดต่างด้วยรูปปสัญญาเป็นต้นเนี่ยเพราะมีอายตนะเป็นต้นเป็นอารมณ์ดับไปแล้วโดยการดับสนิท หาไปส่วนที่ไม่ได้เพราะอะไรผดับหมดคือพวกนี้มันเป็นผลนะฮะไ อ, อร่างกายเรานั้นเป็นผลผลของดินน้ําลมไฟ อ, อากาศทีนี้ไอ้ดินน้ำลมไฟอากาศเองเนี่ยมันก็สร้างมาได้กรรมร่าการจริงๆก็คือกิเลสกับกรรมเขาเรียกในทีนี้ใช้กำว่ออาอภิสังขาร น, นะฮะคือบุญบาปและอเนินชามันก็สร้างขึ้นมาจากกิเลสกับกรรม เขาถือเป็นวิบากขันคือขันที่เป็นผลของกิเลสกรรมในอดีตแต่ตอนนี้ท่านท่านท่านดับกิเลสกรรมแลในปัจจุบันเนี่ยท่านดับแล้วเพราะมันก็ไม่มีอะไรไปสร้างขันขึ้นมาทั้งหมดก็ดับก็ดับเพราะงั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงเป่งพระพุทธุธานะฮะเป็นพุทธภาษิต เป็นการแสดงอธิบายลักษณะของพระอาหารหันต์แต่ก็เป็นเรื่องแปลกนะสังคมเราก็เฉียงกันเรื่องลักษณะของพระอรหันต์อยู่ตลอดเแปลก ม, มากๆไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะพระอรหันต์มีอาจตนานิพานอยู่ที่เมืองแก้วเป็นอาชีพพุทธานิมิตอะไรๆอะอมิตราพระพุทธเป็นอะไรสุขภาวะดิพุทธเกษตรไปกันใหญ่เลย คือความคิดมันเป็นภาะวะดัญหาทีเราไม่ถามต่อนะฮะว่าถ้าพระอาราหารันต์พระพุทธเจ้าท่านไปอยู่อย่างนั้นอยู่ที่อญญายตะนะลิพานอย่างนั้นแหละศาสนาผ่านมา2500สองพันหาร้ศตศาสนาประสบวิกฤตการถูกทำลายล้างจากประเทศอินเดียจากประเทศลังกา เสด็จลังกานี่ถูกทยอยกันเป็นชื่นนะะตั้งแต่โปรตุเกสทอลันดาอังกฤษเนี่ยทําไปทำมาจะเหลือเหนโนเบเลยทั้งประเทศถาพระพุทธเจ้ายัางมีพระองค์อยู่จริงเนี่ยทุกข์เจ้าอนุเคราะห์โลกพี่เจ้าต้องเสด็จมาช่วยแล้วแต่พระพุทธเจ้าดารงอยู่เฉพาะพระคุณเพราะเราเห็นว่าปัญญาก็ยังสมบูรณ์เราจะสัมผัสปัญญาคุณเมื่อไหร่ก็ได้ สัมผัสบริสุธทธิคุณเมื่อไหรก็ได้สัมผัสักรุณาคุณเมื่อไร่ก็ได้ทำจิตได้ปัญญาเกิดปัญญาก็เกิดแล้วก็เกิดไม่หมดไม่สิ้นทุกคนทําจีตและมีปัญญาเกิดขึ้นภายในจิตหมดทั้งโลกปัญญาก็ยังเท่าเดิมเพิ่มไปจากรโล ก, กนี่เท่าตัวสองเท่าตัวสามเท่าตัวนะปัญญาก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่งงดารงอยู่ แล้วก็อยู่ทุกอนูของสากลและจักรวาลเนี่ยนะฮะอจะน้อมปัญญาขึ้นมาเมื่อไหรก็ได้แต่เป็นนามธรรมนะฮะเป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นองค์เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวที่จะสร้างให้เป็นปรูปธรรมเนี่ยมันหมดแล้วกิเลสกรรมในี่ยถูกทำลาไปหมดแล้วท่านเรียกว่าแม้ไปนิพพานนานแล้วยังเหลืออยู่เฉพาะพระคุณเพราตอนที่ แล้วถ้าพระมรบุตรไปนิพพานเนี่ยพระเจ้ารับสั่งว่ารูปกายได้สลายแล้วสัญญาได้ดับแล้วคือสัญญานี้จริมันมีหกนะฮะมีรูปสัญญาสัทธสัญญาการฆ่สัญญาอสระสัญญาผพระพักสัญญาธรรมสัญญาก็คือสัญญาในอารมณ์หเวลานี้ทางวัดประหลังเก้าได้จัดหลักสูตรอบรมครูนะฮะเรื่อง ขันธาตุอายตนะอินทรีย์สัจปฏิจจสมุบาทอะไรต่างๆนี่นะขันห้าน่าจะขันห้าไปเนี่ยคือพวกนี้เราพระพุทธเจ้าสอนคนละวาระกันในเรื่องเดียวกันนั่นแหละขันธ์าตุอายตนะอินทร์สัจะปฏิจจสมุบาทอะไรก็แล้วแต่จะนับไปไหนขันห้าอายตนะติดสองธาตุติแปดอินทรียี่สิบสอง นะอาเร ย, ยสัตว์ี่ปฏิจจสมบัติก็คือกันนะเขาจะเป็นปัจจัยของกันและกันแล้วก็ดีนะฮะคือเคือให้คนได้เข้าใจสักทีปัญหาของโลกที่จริงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่อายตนะก็ได้วิญญาณก็ได้ผัสสะก็ได้นะเวทนาก็ได้ก็แล้วแต่จะจับตรงไหนเป็นปัญหาเพราะสมุทัยมันเกิดได้ทุกจุด เส้นเดียวกับมิโรดมันเกิดได้ทุกจุดตอนแตเราดูที่พระเจ้าทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานาสูตรทรงย่อยให้ดูนะฮะเพราะมันเกิดได้ทุกจุดจะดับกระดับได้ทุกจุดเหมือนกันเราะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสัญญาก็ดับทีนี้สัญญากับเวทนาเนี่ยมันเป็นจิตแต่สังขารมัเพิ่มปริมจิต เป็นตัวหล่อเรียงรักษาจิตดูนะเกิดร่วมกับจิตมีอา ร, รมณ์เดียวกับจิตดับพร้อมกับจิตเมื่อสัญญาดับนะจิตก็ดับเมื่อจิตดับสัญญากับเวทนาก็ดับนะท่านทรงรับรับสั่งว่าเบทนาทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารสังขารทั้งหลายสงบแล้ว เพราะจะเห็นว่าขันทั้งห้าเนี่ยนะะรูปเวทนาสัญญาสังขารมันดับมาแล้วเพราะนิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งเขาตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉนิพานจริงไม่มีปฏิสนธิอิน ญ, ญาตไม่มีว่าพระหัส น, นิพานแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยไปถามก็ถามก็ยุ่งอ่ะตอบไม่ได้เพราะนิพานก็คือ น, นิพานอ่ะ นิพพานไปพูดเกิดว่าไม่ได้มองคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นในในที่เนี้มันที่จริงศาสตราาจารย์ท่านอธิบายฝังว่าเวทนาแม้ทั้งหมดคือวิบากเวทนาและกิริยาเวทนาได้เป็นธรรมชาติเย็นเพราะไม่มีความกระวนกระวายแห่งเวทนาแม้มีประมาณภาพอนุหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีอนุจริงเป็นรูปธรรมนะฮะแต่เวทนาเป็นนามธรรม ก็เป็นอุปมาตัวอย่างให้ดูแล้วก็ดับสนิทด้วยการดับหาไปสุนที่ไม่ได้นี่คืออธิบายรายละเอียดอย่างที่เคยเล่าฟังนะครับโคติกะเทระนิพพานมานจะแสวงหาไปสุนที่วิญญาณของท่านแล้วก็ไม่พบมาถามพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งว่าโคติกะนิพพานแล้วไม่มีไปสุนที่วิญ ญ, ญ, ญาณหรอกมันชัดทุกคนนะ คือไม่ต้องไปอ่านมากน่ะที่จริงอ่านธรรมจักรสูตรเดียวนะธรรมจักรให้ชัดในอนัตีกกี่สูตรหนึ่งทําความเข้าใจกับสองสูตรเนี้พอแล้วเราจะชัดเจนในนิพพานธรรมจักรนั้นได้บอกการนิพพานของพระพุทธเจ้าชัดเจนมากแล้วก็ต้องสองสามช่วงนะสามสี่ช่วงเลยซ้ำไปเนอนัตตลักณะสูตรุเป็นสรุปในตอนท้ายเป็นสรุปให้ดูในตอนท้ายเมื่มันดับ จิตเป็นจะหนายในรูปเวทนาตัญหาตังหาวิญญาณพรอนายก็จะคลายกำหมัดประคายกำหนัดจิตกพลนเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมารู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้จากนั้นชาติคือความเกิดในรูปแบบต่างๆเนี่ยสิ้นแล้วไม่มีชาติเนะพราะเมจรรันกับการละชื่วก็ดีที่จบมันไม่มีช่วยให้ละมันไม่มีดีให้บําเพ็ญสมบูรณ์หมดละ มีแมนะ้แต่อนดูหนึ่งของของความบกพร่องภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายเนี่ยพระนักก็บอกว่าแต่กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาถึงความดับสนิทในขณะแห่งอารหัตผลทีเดียวนะเราจะเห็นว่าเวทนามันดับตั้งแต่นวันแ่งดับตั้งแต่บรรลุอารหัปรตปั๊บมันก็ดับ พระอาจารย์ท่านกล่าวว่าเว้นจากความเย็นดังนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นเป็นการพยายามอธิบายเพื่อจะสื่อสารคือนิพพานเนี่ยมันเป็นจิตสัมผัสอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงคล้ายเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยไม่รอธิบายยังไงมันไม่ใช่ภาษาอธิบายแล้วก็ท่านก็บอกว่าและเป็นธรรมชาติสงบดับไปทำคือสังขารขัน มีภาษาเป็นต้นแต่ทั้งหมดต่างโดยวิบากและกิริยาสงบแล้วโดยพิเศษทีเดียวก็ดับสนิทแต่การดับสนิทของปิสุนติแล้วก็วิญญาณทั้งทั้งหมดเนี่ยต่างโดยวิบากก็ดีกิริยาก็ดีไดชื่ อ, อย่างไงก็ดีนะฮะก็ก็ถือว่าพินาศ ทีนี้ผู้จะสื่อสารได้ท่านบอกว่าขาดศูนย์เพราะดับสนิทโดยหาวิสุทธิไม่ได้ขาดศูนย์เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นภาษาสมมุตินะฮะคือขาดศูนย์ก็ต้องมีสิกงให้ขาดศูนย์และปัญญามันดับไปแล้วมันไม่มีอะไรให้ขาดศูนย์ในซ้ําไปแต่ว่าเวลาสื่อสารก็ต้องสื่อสารกันเนะพอือยเกิดความเข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งอุทานเนี่ยก็รด้วยกําลังแห่งปิติเพราะอาศัยขัน ความที่ขันทั้งห้าของท่านประธานมระบุตรดับสนิทด้วยการดับภาวิสุทิ์ไม่ได้เหมือนไฟที่หมดเชื้อฉะนั้นหรือเพราะดับอุปาทานคือกิเลสและอภิสังขารในการก่อได้โดยสิ้นเชิงนะพวกนี้ดับไปโน้นดับตั้งแต่ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็เป็นการนำข้อความจากพระอาจารย์มาให้ดูน ะ, ะว่าท่านอธิบายที่จริงก็ชัดมาก แต่ท่านคงพูดอยงเฉียงกันอยู่อย่างเงี้ยพูดกบบไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าการปฏิบัติเพื่อลาบเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติบัตรเพื่อนิพพานเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งมันเหมือนกับเราเอามือใส่เข้าไปในบาศเนี่ยจะให้ติดอาหารมือต้องงอนะแต่ถ้าใส่ปากไปตรงๆมันไม่ได้เพราะฉะการปฏิบัติเป็นอย่างมากอย่างอิงอาศัยอาศัยกา ร, รมาตัญหาเพราะวตัญหาอยู่ จึงอยากได้อยากมีอยากเป็นกันอยู่ก็เป็นเรื่องสมบัครใจเลือกของคนเหล่านั้นล้องฟั ง, ลงทาาลายสินค้าจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี